พระองค์นี้ไม่มีกิเลสดังทุรีนะกิเลสที่เหมือนทุรีก็คือราคะโทสะโมหะความโกรธความผูกโกรธเป็นต้นเนี่ยนะอกุศลภิสังขารทั้งปวงเนี่ยเป็นดังทุลีกิเลสเป็นดังทุรีเหล่านั้นอันพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ตรัสรู้แล้วทรงละได้แล้วแต่รากขาดแล้วทําให้ไม่มีที่ตั้งดังตาลยอดด้วนให้ถึงความไม่มีไม่ให้เกิดขึ้นอีกต่อไปเป็นธรรมดา เพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ตรัสรู้แล้วจึงชื่อว่าผู้ไม่มีธุลีปราศจากธุลีไปปราดแล้วจากธุลีละธุลีเสรยจแล้วพ้นขาดจากธุลีธุลีคืออะไรธุลีก็คือราคะนะราคะเป็นธุลีแต่ท่านไม่ได้กล่าวละอองว่าเป็นธุลีพวกฝุ่นละอองไม่ใช่ธุลีหรอก คำว่าธุลีนี้เป็นชื่อของราคะพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้มีจักสุทรงละธุลีนั้นแล้วเพราะเหตุนั้นพระพุทธชินะท่านจึงกล่าวว่าเป็นผู้มีธุลีไปปราดแล้วเนี่ยนะก็คือละธุลีคือราคะได้แล้วเนี่ยนะโทสะเป็นธุลีท่านไม่ได้กล่าวละองว่าเป็นธุลีคำว่าธุลีนี้เป็นชื่อของโทสะพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้มีพระจักสุทรงละธุลีนั้นแล้วเพราะเหตุนั้นพระพุทธชินะ ท่านจึงกล่าวว่าเป็นผู้มีธุลีไปปราศแล้วเป็นผู้ละกิเลสเป็นดังธุลีได้หมดแล้วเนี่ยโมหะเป็นธุลีแต่ท่านไม่ได้กล่าวละอองว่าเป็นธุลีคําว่าธุลีนี้เป็นชื่อของโมหะพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้มีพระจักษุทรงละธุลีนั้นแล้วเพราะเหตุนั้นพระพุทธชินะท่านจึงกล่าวว่าเป็นผู้มีธุลีไปปราดแล้วนั้นคําว่าธุลีก็เป็นชื่อของราคะโทสะและโมหะ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 มัดจุเสียนั่งห้อมล้อมอยู่ให้ดูพระพุทธเจ้านะพระองค์ผู้ที่มีพระอรหันต์นั่งแวดล้อมพระองค์อยู่พระอรหันต์ทั้งหลายก็ระลึกชาติได้เห็นสัตว์เกิดสัตว์ตายลากิเลส ท, ทั้งหมดเนี่ยนะันมีพระอรหันต์นั่งห้อมล้อมอยู่เนี่ยดูจะงดงามขนาดไหนกล่าวว่ากราบไปที่ไหนไม่มีผิดหวังเลยนะสมัยนั้นอะ่ะก็ ว, ว, วิชาสาม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 เพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ตรัสรู้แล้วจึงชื่อว่าผู้ไม่มีอาสวะผู้ที่ทำกิจเสร็จแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้านั้นทรงถึงฝั่งแห่งธรรมะทั้งปวงถึงฝั่งไหนคือพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงถึงฝั่งแห่งอภิญญาถึงฝั่งแห่งปริญญาถึงฝั่งแห่งปหานะถึงฝั่งแห่งภาวนาถึงฝั่งแห่งการทาให้แจ้ง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 คือไม่มีสมาบัดใดที่พระพุทธเจ้าเข้าไม่ได้น่นะพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นทรงถึงความชำนาญและความสำเร็จในอริยศีลอริยสมาธิอริยปัญญาอาริยวิมุตตพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเสด็จไปสู่ฝั่งทรงถึงฝั่งแล้วเสด็จไปสู่ส่วนสุดถึงส่วนสุดแล้วเสด็จไปสู่ที่สุดทรงถึงที่สุดแล้วเสด็จไปสู่สุดส่วนสุดรอบทรงถึงส่วนสุดรอบแล้ว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 ความมาเฝ้าของพวกข่าพระองค์ผู้มีความต้องการด้วยปัญหาคือต้องการจะทูลถามปัญหาใครฟังปัญหามีอยู่ด้วยเหตุอย่างนี้ดังนี้จึงชื่อว่าข่าพระองค์มีความต้องการด้วยปัญหาจึงเข้ามาเฝ้าคือสงสยัย น, นะก็เลยมาทำอีกอย่างหนึ่งความมาแห่งปัญหาของพระองค์มีอยู่ทั้งพระองค์มีความเป็นผู้องอาจ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 คลี่คลายปัญหาได้หมดเลยอรหัตตวิโมกท่านกล่าวว่าอัญญานวิโมกเพราะฉะนั้นขอให้พระองค์ประกาศซึ่งอรหัตะโมอรหัตตวิโมกขอพระองค์โปรโดตรัสบอกอัญยาวนวิโมกคืออัญญาวิโมกคืออรหัตตวิโม ก, ออ น, โมกนั่นเองนะพระองค์นี้เป็นผู้ทําลายอวิชชาคือทุบต่อยทําลายและสงบสละคืนระ ง, งับซึ่งอวิชชาเป็นอมตะนิพานเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าทรงทําลายอวิชชา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 คืออรหัตวิโมกอันเป็นเครื่องทาลายอวิชชาพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าดูก่อนอุทยะเราขอบอกอัญญาวิโมกเป็นเครื่องละซึ่งกามฉันทะและโทมนัตทั้งสองอย่างเป็นเครื่องบรรเทาความง่วงเป็นเครื่องกั้นความราคาญ อ, าอารหัตวิโมกนี่แหละเป็นตัวละกามฉันทะละโทสะละ ทีนมิทะละกุกุจะเนี่ยนะก็เท่ากับบอกว่าอรหัตตวิโมกข์นี่แหละเป็นตัวละนิวรห้าซึ่งอธิบายโดยลำดับดังนี้ว่าความพอใจในกามความกำหนัดในกามความเพลินในกามความอยากในกามความสเนหาในกามความกระหายในกามความเร่าร้อนในเพราะกามความหลงในกามความติดใจในกามในกามทั้งหลายกามโอฆะกามโยคะกามุปาทานกามฉันทะนิวรห์ชื่อว่าฉันทะ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 ถือว่าเป็นที่เพิกถอนแห่งอะไรเป็นที่สางแห่งความเมาทั้งปวงะนะเมื่อมีนิพพานเป็นอารมณ์นี่แหละจริงๆเรียกว่าหายเมาอย่างแท้จริงอัญญาณนะวิโมกเนี่ยเป็นเครื่องละโทมนัต ด, ด้วยนะคำว่าโทมณัตก็คือเป็นชื่อแห่งความไม่เช่มชื่นในทางใจเจตสิกทุกความเสเวย อ, อารมณ์เป็นทุกข์ไม่เชื่อมชื่นเกิดจากสัมผัสทางใจ ทุเวทนาอันไม่เช่มชื่นเกิดจากสัมผัสทางใจชื่อว่าโทมานต์เพราะฉะนั้นธรรมะเป็นเครื่องละโทมนัตอ น, นะนะก็คือธรรมะเป็นเครื่องละเครื่องสงบเครื่องสละคืนเครื่องระงับซึ่งการมชันทะและโทมนั์ทั้งสองประการเป็นอมตะนิพานอันถ้าจะละโทมานต์คือพยาบาทหรือจะละการมชันทะได้อย่างแท้จริงก็ต่อเมื่อมีนิพานเป็นอารมณ์ ความที่จิตไม่ควรความที่จิตไม่สมควรแก่การงานความท้อความถอยความกลับความหดหู่กิริยาที่หดหู่ความเป็นผู้หดหู่ชื่อว่าถีนะ อ, นะอัญญาวิโมกคืออรหัสตนั่นแหละเป็นเครื่องกำจัดถีนะมิธาพระอรหันตนะ์นจึงจะละถีนะมิทาได้อย่างเด็ดขาด คำว่าเป็นเครื่องบรรเทา ами, ความง่วงคือเครื่องบรนเทาเครื่องละเครื่องสงบ 1991, Ora, เครื่องสะะคืนเครื่องระงับความง่วงเป็นอมตะนิพานนิพานนั่นแหละเป็นเครื่องระงับความง่วงเหงาได้อย่างแท้จริงส่วนนิพานเป็นเครื่องกำจัดกุกุจะก็คือความรำคาญนะกุกุจะเป็นชื่อของความรำคาญความรำคาญมือความรำคาญเท้าความรำคาญทั้งมือทั้งเท้า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 ว่าเราเนี่ยทำปาณาติบาตเราไม่ได้ทำการงดเว้นจากปาณาติบาตเราทำอธินาทานเราไม่ได้กระทำการงดเว้นจากอธินาทานเราทำกาเมสุมิจฉาจารเราไม่ได้ทำความงดเว้นจากการเมสุมิจฉาจารเราทำมุ้สาวาตเราไม่ได้ทำความงดเว้นจากมุสาวาทเราทำปิสุณาวาจาเราไม่ได้ทำความงดเว้นจากปิสุนาวาจา